จรียบาลเขาห้ามมัดไม่ห้ามสว่าง น, นแปลว่าตอนกุศลจิตเกิดนั้นไม่มีสักยัติถีแต่พราว่าเรามีกุศลคือคือคำนี้นะคาว่าสักยัติถีเนี่ยเขาห้ามมัดแต่ไม่ห้ามสวรค์ไม่ห้ามสว่างเนี่ยหมายความบอกว่าคนที่ยังล้าสักยัติถีไม่ได้ที่ยังจเจริญกุศลอยู่เยอะค่ะเยอะไั้นคนที่ยังจเจริญกุศลอยู่เนี่ยแต่ยังถอนสักยัติฐีไม่ได้ อย่างนี้ก็เรียกห้ามมรรคแต่ไม่ห้ามสวรรค์แต่พะอาจารย์บอกว่ามิจฉาทิฏฐิทุกอย่างใช่ช่ช่เอาอย่างนี้นะว่าถ้าหากว่าในขณะที่เราเจริญกุศลอยู่ยังถอดสักยะทิฏฐิไม่ได้ก็เรียกคนยังมีสักยะทิฏฐิอยู่ใช่ัหมมีอยู่ใช่แล้วถ้าทำกุศลตอนนี้กุศลไม่สามารถจะถึงมรรคได้ตายได้แค่สวรรค์ใช่ไหม ถ้าศักยะทีิทีเกิดขึ้นแม้จะทำกุศลก็ไปอะไก็ศักยะาติเป็นตัวส่งผลให้ <c oughs> ทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนภาวนาศักยญาติตอนน้บอกเราเอาชวนาเป็นโลกาคือปัญหาคืออย่างนี้เนาะ เนี่ยพอพอกล่าวถึงในเรื่องต่างๆเหล่านี้ยบางครั้งเราอาจจะไปสับสนว่าเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกกันเนี่ยใช่ไหม เ, เวลาอ่านพระไตรปิฎกกันเนี่ยเวลาอัฏฐาของพระไตรปิฎกที่ท่านบอกว่าสักกายที่ติห้ามมากักแต่ไม่ห้ามสวรสรค์ก็หมายความบอกว่าคนที่ยังมีสักกายที่ติทั้งหลาย<น>เขาเจริญกุศลได้เป็นปกติ<น>ก็เหมืนอนเราท่านทั้งหลายนี่แหละ<น>แต่<น>ที่ ห้ามมรรคไม่ห้ามสวรรค์ไม่ใช่สักรรยะทิฏฐินำไปเกิดสวรรค์ใช่ไหมกุศลต่างหากเป็นปัจจัยทําให้ได้สุคติคแต่ถ้าสักรรยะทิฏฐิส่งผลแล้วลงอบายทุคติวินิบาดนรกทั้งนั้นไม่สามารถที่จะเพราะไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ไปที่ที่ที่สุคติได้เลย ฉะนั้นเวลาท่านกล่าวอย่างนี้ว่าไม่ห้ามไม่ห้ามสวรรค์เนี่ยแต่ถ้านิยตมิจฉาทิฐีสิไมมห้ามทั้งมรรคห้ามทั้งสวรรค์<ม>รรเพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้มีโอกาสไปสวรรค์ได้เลย เ, เพราะด้วยอํานาจแห่งมิจฉาทิฐีนั้นน่ะมันล่วงเกินไปซะแล้วถึงแม้จะมีกุศลเกิดบ้าง กุศลที่เกิดในกระแสขันธาตุอยายตนะของนิยตามิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นน่ะไม่มีโอกาสจะให้ผลในสุคติได้เลยมีแต่การลงอบายภูมิโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษร้ายแรงกว่าอนันตรียกรรมห้าประการคือมาตุคาตปีตุาตาาคาตอรานตคาตโลหิตุัวบาทแล้วก็สังฆเพศจะใหย่ยัง แต่ถ้าวัน ญ, ญาท่านก็มาสรุปอีกทีขึ้นชื่อว่าทิฏฐิแล้วที่จะไปสวรรค์เป็นไม่มีเพราะตัวักตัวทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลใดร่วมกับการทำกรรมแล้วกรรมเหล่านั้นให้ผลแล้วก็มีอบายทุกติวินิบาตนรกเป็นไปในเบื้องหน้าอย่างแน่นอน แต่สัตทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นไม่ใช่อํานาจของสักยัติฐิไม่ใช่อํานาจของอัตติฐิเป็นตัวส่งผลแต่เป็นกุศลกรรมต่างหากเป็นตัวส่งผลนี่ไหมเข้าใจหรือยังฉะนั้นเธอต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าทิถิแล้วไปสุคติไม่มีทีนี้เวลาเราทําบุญเนี่ยความเป็นเราเนี่ยมันจะแทรกเป็นระยะระยะเวลาทําบาปก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใช่ไหม แต่ขณะที่กุศลเกิดตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะไม่มีสักยะทิฏฐิหลอกแต่เมื่อกุศลนั้นดับไปแล้วกุศลนั้นกลับมาเป็นอารมณะปัจจัยแก่สักยะทิฐิเป็นอารมนาทิ่ปรดีก็ได้เป็นอารมณูปนิสัยก็ได้ยินดีเพลิดเพลินในบุญกุศลนั้นแล้วก็เป็นกันเยอะยะหมดใช่ไหมไอ้ความที่มันแทรกมากตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นโทษแก่คนที่ฟังธรรมะไม่ดี ไม่ใช่ฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วไข้ครวนไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมธรรมะดีไมใช่ฟังธรรมะแล้วไข้ครวนไม่ถูกเตรงเนี้ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกนะไเรื่องภาษาเนี่ยบางที อันมาก็ต้องพยายามคิดบางทีก็หลุดไปเรื่อยภาษานี่ยเพราะว่าเรามีภาษาไทยที่ไม่เพียงพอต่อภาษาบาลีคือภาษาบาลีมันจากัดความปุ๊บปุ๊บปุแต่เราไปอ่านภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจอีกและแปลเป็นภาษาบาลีนะบางคนไปดูภาษาบาลีก็ยังไม่เข้าใจอีกเพราะภาษาของท่านเนี่ยมีอัถะมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นใช่ไหม ก็เลยก็เหมือนอันมามาเจอในดีกาทั้งหลายเนี่ยอันมาใช้สั์ไหนดีนรืออมาก็ต้องมานั่งคิดนั่งเข้าใจว่าเออท่านใช้ศัพท์นี้ออาเออสับนี้ใช้ได้ถ้าสับบางอย่างครับบางทีเนี่ยว่าดูๆแล้วบางทีอันมานึกอันมาใช้สับรุนแรงไปหรือเปล่าใชที่จริงมันมีคําบางคําแรงเนี้ยบางทีอานมาคิดแล้วคิดอีกเหมือนคําว่าลางโง่กวางโง่อะไรทั้งหลายเนี่ยอันมาบอกยังไงแต่แต่จริงๆเนี่ย ในบาลีว่าอย่างนั้นใช่ไหมท่านกล่าวอย่างนั้นก็กล่าวตามท่านไปแล้วก็วางใจให้เป็นกุศลไม่ได้กล่าวเพื่อตําหนิคนแต่คำคำนี้อย่าลืมนะถ้าเราขับเคลื่อนไม่ดีใจเราเป็นบาปเอาสิใ ช, ใช่ไหมเราต้องระวังมากวาจาที่กล่าวเป่งออกไ ป, ปการเปล่งบะธรรมแม้พูดดีๆนี่แหละอะ<ม>ขอมูธนาญาติโยนทั้งหลายสมมุติอย่างนี้นะแต่ใจเป็นโลภเอาพี่ที่ มันเป็นเป็นโลภะอีกแล้วมีว่ามีเป้าหมายว่าตัวประสงค์บิดพาดต้องการพูดในคนชอบเสียงเราเนี่ยนะไอ้นี่ไปอีกดนเดี๋ยวนี้เห็นไหมนั่นเลยว่าต้องพยายามวางใจในการกล่าวพระธรรมโอกาสพลาดเยอะแม้การกล่าวพระธรรมแม้การพูดการเปล่งอะไรต่งตางๆอะไรมาก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนและยังไม่พอนะในขณะที่กล่าวก็ต้องไข่ไขควรจิตเพิ่งตัวเองไปด้วยเห็นไหมเพราะว่าการกล่าวพระธรรมเนี่ยการกล่าวพระธรรมเนี่ย ขึ้นชื่อว่ากรรมฐานไม่เดินน่ยไม่มีใช่ไหมต้องเป็นไปกับภาวนาขอให้ให้มานักจิการให้เป็นแต่ตอนนั้นภาวนากําลังเดินอยู่เขาเรียกว่าเป็นภาวนากุศล mm hmm. การฟังว่าทำเนี่ยถ้ายอมฟังกันได้ถูกเนี่ยนะถ้าเดินด้วยสติสัมปชัญญะตอนนั้นภาวนาก็กําลังเดินอยู mm hmm. ่เขาเรียกว่าสวัสดิใหม่ใช่ไหมกับ mm hmm. กับการเทศนาใหมนะ่ั้นตรงเนี้ยตามไฟตามมาเจริญกุศลแล้วก็เป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัจได้ อันนี้แปลว่าทุกคนก็ตั้งใจในการที่ที่มานาสิกาให้ถูกหนึ่งพระธรรมนั้นต้องเป็นสิ่งที่กล่าวได้ถูกต้องตามอภิษาและปัญชนะใช่ไหมแม้การวางจิตของเราท่านทั้งหลายก็วางให้ถูกต้องเนี้ ย, ยนี่ก็จะเดินเดินในการบําเพ็ญกุศลกันนะแต่ถ้ า, ากว่าเดินจิตผิดคิดผดิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกับบาปกุศถถลธรรทำมารามโม ในส่วนจริงก็ฟังธรรมกันยังลืมเน ล, ลืมตัวกันเองเนี่ยก็ผิดพลาดอีกตอนนี้ถึงบอกว่าต้องพยายามว่าหนึ่งตั้งหลักในการฟังพระธรรมกันใหม่แล้วก็ตั้งหลักในการกล่าวพระธรรมกันใหม่หรือในขณะที่เราจะบอกกล่าวสนทนาพระธรรมก็ให้เป็นไปกับกุศลทํำยังไงเป็นคาถาสัมมาวจาเจตนาเจตนาสัมมาวจาจะไม่ให้เป็นไปกับกุศลแล้วก็ปรารบธรรมของพระเจ้าแล้วเขเคารพในพระผู้มีพภาคเจ้าจริงๆ เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้รู้นะเราไม่ใช่เป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระพุทธศาสนาต่างหาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายพระธรรมต่างๆนี้เป็นของพระธรรมที่ท่านได้ตรัสออกมาพระธรรมเหล่านี้ออกจากสพญุตญาณ น, นะแต่ของเรามาใช้กุศลเป็นตัวขับเคลื่อนมันก็ละเรื่องมันก็ละเรื่องกันใช่ไหมความรู้ของเราในน้อยนิดใช่ไหมน้อยนิดมากผิวเผินมากแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาศึกษาพระธรรมด้วยโลภาโทสาว ม, มุฮัมมันก็เป็น ความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดตรงเนี้ยถึงบอกก็ต้องต้องต้อ ง, องวางใจกันให้เป็นในการเพราะว่ามาถึงบอกว่ากรณีที่เราจะศึกษาให้ได้ความรู้อ่ะไม่ยากใช่ไหมแต่ทําให้ได้กุศลเนี่ยยากเพราะความรู้เนี่ยโลภะไปเรียนก็รู้ได้ทวารไปเรียนก็รู้ได้โมโหฬาไปเรียนทําให้ยังรู้ได้เลยใช่ไหมไม่ยากหรอกเอาพิจารีิตีไปนั่งเรียนกันแป๊บเดียวก็ได้แล้วจะเอาจบอะไรก็ได้ ใช่ไหมเราจะขับเคลื่อนอย่างนั้นนะ่ะแต่มันเดินกุศลในการเรียนเนี่ยยากต้องฝึกขัดเกลาในการเรียนกันไปแล้วก็วางใจให้ถูกให้สังเกตดุไหมว่าถ้าปริมาณที่เราเดินกุศลกันได้ถูกที่เราฟังธรรมะ ก, กันมาขนาดนี้ป่านนี้กายกรรมวจิกรรมานกรรมจะขัดเกลา ม, มากกว่านี้เยอะอันนี้ก็ม่งบอกให้เห็นชัดว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับอะไรเกิดขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราวางจิตถูกแล้วตอนี้การเจริญกุศลก็จะชัดเจนนเลยใช่ไหม ใหตรงนี้ก็ก็ต้องมาไขาควนซึ่งเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเบื้องต้นในการจะเข้าสู่การวังพระธรรมด้วยแลใช่ไหมว่าเออเราจะวางจิตยังไงในการฟังแต่พอไปกล่าวในะเบื้องต้นตอนนั้นศรัทธาไม่ค่อยมีเดี๋ยวหนี้กันหมดใช่ไหมแต่นี่ก็เลยก็เนี้ยก็รุกๆคลำๆผิดๆถูกๆกันนี่นะประการต่อไปก็คือพูดถึงในเรื่องของดังที่ได้กล่าวอัตตะอัตตนิยอัตถิถีต่างๆเราเนี้ยนะที่บอกว่า เกี่ยวกันในเรื่องของอัตตนิยะตามคําพูดทั้งสองกลุ่มอัตตนิยังเป็นต้นเหล่านี้นะก็หมายความว่ากลุ่มวัตถุที่เนื่องด้วยตนเพ่อเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัตตนิยะตามวิคหะทั้งสองบทก็กล่าวว่าสาวิญญาณนักทรัพย์และอวิญญาณนักรัพย์ที่เนื่องด้วยตนชื่อว่าอัตตานิยะการยึดมั่นห่วงเหน็นรักใครในทรัพย์สมบัติต่างๆ ท, ท, ที่เนื่องด้วยตนด้วยอำนาจของตัณหาก็ชื่อว่าอัตตานิยะดังที่ได้กล่าวทีนี้ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่อัติย้เพราะสัญญาวิปลาดดังที่ได้กล่าวนั่นแหละสำคัญในผู้ที่ไม่ใช่ลูกหญิงลูกชายเป็นต้นว่าเป็นลูกหญิงลูกชายสําคัญในเงินทองรัตนะต่างๆว่าเป็นเงินเป็นทองจริงๆทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของการสมมติกันขึ้นมาเนี่ยแต่สัตว์โลกนั้นก็ไปใช้สัญญาวิปลาดจำกันจนกลายเป็นของจริงของจังกันไปนหมดแล้ว และในขณะเดียวกันนะถ้าเงินทองอันนั้นอนะ่ะเขามีการประกาศเลิกใช้เมื่อไรเนี่ยของเหล่านั้นมันก็จะหมดความสาคัญในความรู้สึกไปทันทีเลยไอ้ตรงนั้นก็ยังไม่เข้าใจกันอีกว่าของที่มันสมมุติเนี่ยมันคืออะไรใช่มแล้วก็จะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยที่ล่มสลายเนี่ยเงินทองก็คือกระดาษแล้วดีๆใช่ไหมมันก็คือกระดาษ อันนี้กรณีที่เราเอามาก้อนหินมาเป็นเพชรเป็นทองกันทัวันเนี่ยเราก็มาสำคัญว่าเป็นทองกันจริงๆนะปั่นราคากันวิ่งกันพลานไมหมดเอาไปห้อย <laughs> ตามห yes, ูบางตามคอตามแกละเต่าเข้าใจอย่าก็คือคือให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยแต่ถ้าทำแบบเข้าใจนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมจ้เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตนิยะที่เป็น อาวิญญาณนะะั่นก็ซับ <Okay. S 1> ใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณหรอกมันก็ยกหนึ่งสมัยหนึ่ ง, หงแหละที่เราทำความเข้าใจถ้าไปว่าวก็คนป่าคนดอยคนดงก็งไม่รู้เรื่องไม่รู้หรอกถ้าพูดถึงอบัยศาสตร์ด้วยแล้วเนี่ยหมดหมดสภาพเลยใช่ไหมเอาไปแฝนเป็นปัญหาเขาด้วยบง <c oughs> ทีเราไปแต่งตัวให้สุนัขเนี่ย <c oughs> เอาเพชรไปประดับใหเขาเนี่ย <c oughs> เขาลาคานบางที <c oughs> <c oughs> เขาอึดอาด <c oughs> ใช่ไหม ว, ว่าเราเป็นเข้าอัติยะของเรานี่แหละสิ่งที่เนื่องในตนของเราเราก็ไปประดับให้เขาพัลลงพลังอะไรก็ไม่รู้อที่อะมาไปเจออนะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการบริจาคเลือดคนบริจาคเลือดแล้วบางทีก็เอ า, าสุนัขบริจาคเลือดก็มีนะ<ม><ม>ก็มีนะที่โรงพยาบาลในไปเอ๋นี่ ย, ยที่สัตวแพทย์เนี่ยเขาก็มีการบริจาคเลือดนไม่รู้ว่าสุนัขมัน มันมีจิตบริจาคกรือ่ามาก็ไปอ๋อที่ไหนได้เจ้าของสุนันะ<ด>ขเนี่ยเขาอยากบริจาคเลือดไอ้เจ้านี้ก็โดนล็อกคอไปก็โดนโกนขนก็เอาเข็มแทงเข้าไปแล้วก็นั่นก็ก็ดินกกึกอยู่นั่นแหละก็เขาจะไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ว่าอบัยาศาสตร์โดยเฉพาะสัสตร์เดราชาเนี่ยเขาลองจากสว์นรกโมหะเ็าแรงมากใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอก เว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์ถ้าพโพธิสัตว์ถิดจะรู้อันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนะไอ้ตรงนี้แหละก็ท่านถึงบอกว่าอุปมาเหมือนกับเหมือนกับกวางโง่ดังที่ได้กล่าวเนาะแล้วก็กรณีของอริยชนทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นการข้นขวายในกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมในสิ่งต่างๆที่ไม่มีอัตตนิยะาอัตสัญญาไม่ชื่อว่าเป็นคนผ่านเน่ยไม่แค่ไม่ไม่เชื่อว่าเป็นความเพียรพยายามของภาลชนเนาะ เม <dle> ื่อไม่มีอัตตนิยอัญญากุณลักษณะมันลามกก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอัตตนิยาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีอัตตาทิฏฐิทีนี้อัตตานิยานี่นะที่เป็นไปในส่นดานภายในโดยความสําคัญว่าตาของเราหูจมูกริ้นกายใจของเราเนี่ยนี่เขาเรียกเป็นไปในส่วนภายในถ้าอัตตนิย่าที่เป็นไปในส่นดานภายนอกก็หมายความว่าไปสําคัญเนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและวทำมารวมเป็นของเราอย่างไรทั้งทั้งที่เราไปยึดสิ่งต่างๆเราเนี่ยเนี่ย ว่าของเรานี่นี่คือคือรูปอารมณ์ไปบางทีก็ไปยึดรูปอารมณ์เห็นไ้ยถ้ามันมีเสียงก็ไปยึดสัตวารมณ์ถ้ามีกลิ่นก็ไยึดคันดารมณ์ถ้ามีรสก็ไปยึดราซารมณ์แล้วก็เย็นร้อนก็ไปยึดโพธิอารมณ์ทำให้จิตใจสบายก็ไปยึดธรรมารมย์เนี้ยเขาเรียกไปยึดสิ่งภายนอกว่าเป็นอัตนิยะว่าเป็นของของเราถามว่าแก้วน้ําของใครแก้วน้ําของพ่อเนี่ยนะแล้วก็ไปบอกเนี้ยเออแก้วน้าของแม่วางนั้ น, น, นอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะอะไรเงี้ยทำไมอัตนิยะมันก็ไปยึดอย่างเงี้ย แของของเราเนี่ยมันก็ไปยึดไว้หมดเลยใช่ไหมอ่าเราได้ทําตรงนั้นแล้วได้ทําตรงนี้แล้วเบสรซนก็ไปเข้าไปยึดหมดเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปต่างๆนี่มันไปวางไว้ที่ไหนก็ยึดหมดเนี่ยทีนี้มันมีบางกลุ่มเราต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ไม่ยึดพ้องไม่รู้อะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอัตยยะเช่นคนโง่คนบ้าทั้งหลายอะ่ะใช่ไหมพวกนี้เขาก็ไม่ยึดไม่หนุ่มผ้าเลยเดินธงเทงเดินใบถ้วนยนะ เดินไปตัวเนี่ยคือพวกนี้เราก็มองโอ้ไม่ยึดมั่นมั่งเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมต้องเข้าใจใช่ไหมว่าจริงๆอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญญามันเกิดขึ้นจากเขาไม่รู้แล้วเขาวิปลาดวิปราดอย่างรุนแรงแล้วเดี๋ยวก็จะไปเทียบกันคนละมุมนี่ใช่ไหมว่าการไม่ยึดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ยึดแล้วเขามีความเข้าใจมีความเข้าใจอย่างรองแท้อันนี้ให้ชัดเจนตรงนั้นท่า น, นผู้ที่ละอัตัดทิฏฐิได้แล้วเมื่อกําลังสะสมตาเบี้ยงดูบุตรภริยา ด้วยตัณหาเท่านั้นเขาก็ไม่ได้ทําอัตนิยสัญญาให้เกิดขึ้นเลยเพราะเขาละได้อย่างเด็ดขาดแล้วโดยเฉพาะคนที่ละอัตถิทิได้แล้วไม่กระทํากรรมที่เป็น อ, อ, อ, อภัยยาคามีกรรมก็หมายความว่ากรรมที่เป็นเครื่องนําไปสู่ใบยภูมิการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรการสัตว์ติราชานเขาไม่ทําแล้วเขาไม่ทำแล้ ว, เ ข, ลวเขาบอกว่ากรรมที่เป็นหีนปักขกรรมก็ดีกรรมที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ํา หรือกรรมที่เป็นไปในส่วนของอปลายคำมีกรรมก็หมายความว่ากรรมที่นําไปสู่ใบยภูมิเนี่ยเขาจะไม่ทํากรรมเพราะเหตุแห่งอัชาติยวัตถุและภัยละปัยท้าวัตถุเนี่ยภัยท้าวัตถุไม่ทําำทั้งกยายกรรมวิจิกรรมอนกรรมเขาในชีวิตประจำวันไม่ทําอันอนั้นปกติแม้ความฝันเขาก็ไม่ทํากรรมเพื่อจะลงใบยภูมิไม่ใช่เขาไม่ฝันว่าฝันไม่ดีก็มีบ้าง ใช่ไหมแต่จะฝันเพื่อจะทํากรรมเพื่อจะเป็นปัจจัยการลงใบภรมิไม่มีไม่เหมือนกับเรานี่ใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยทํากรรมที่จะเป็นตัวเกื้อหนุนให้ลงอบปยพุมได้แต่ส่งผลไม่ได้จริงใช่ไหมแต่กรรม น, นั้นเกื้อหนุนเพราะมันมีเชื้อของสักกายทิฐิและอัตตทิฐิเป็นปัจจัยแก่การฝันอยู่นั้นกรรมของเรามันจึงต่างจากคนที่เขาไม่มีอัตตทิฐิหรือสักกายทิฐิ ฉะนั้นถ้าเราโกรธกับผ้าเรียบุคนโกรธนี่คนละมุมเลยเงียนะหรือคนที่เขาเจริญวิปั ส, สนามีความเข้าใจพระธรรมเป็นอย่างดีบางครั้งเขาหลุดโกรธมาบ้างกับเราที่มีอัตตาทิฏฐิอย่างไหนเนี่ยเราโกรธก็คนละมุมกันเลยนะคนละมุมเลยความรุนแรงต่างกันหมอ่ะต่างโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเขาต้องบอกคนรู้กับคนไม่รู้ทํากรรมมันต่างกันใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้ คนที่เขารู้เนี่ยมันจะพลาดเป็นระยะระยะเนี่ยแต่เขาก็พลาดแบบกลับตัวกลับใจได้เร็วมากเนี่ยนะแต่ถ้าไม่รู้ที่ว่าจนมีอัตตาทิฏฐิอัตตนิย่าต่างๆเลยเนี่ยมันก็เห็น ไ, ไหมนี่ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องเข้าใจใครที่มีการถากถางการถอนมิจฉาทิฏฐิได้มากที่จริงมันจะต้องไปอธิบายเลยไหมอธิบายแต่เวลาไม่พอเนี่ยถ้าจะอธิบายมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะต้องไปเชื่อมไปจนถึงไอ้อะไรรู้ไหม ถึงเกี่ยงในเรื่องของของเก hm uh, um ี่ยวเรื่องของอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยทำไมทิฏฐิตัวเนี้ยทิฏฐิอย่างหยาบที่เป็นไปในกายกรรมวิีกรรมยังไงทิฏฐิอย่างละอียดอย่างกลางที่เป็นไปกับกับทางมโนทวารที่เป็นไปเกี่ยวกับในเรื่องของที่จะข่มยราดด้วยด้วยเกี่ยวกับทิฏฐิที่เกิดร่วมกันนี่รธราทำยังไงแล้วก็ทิฏฐิอย่างละเอียดที่เป็นพวกอนุใส่เอ่ยนะทิฏฐานอนุสัยที่เกิดร่วมกับปฏิคานุสัยกามาลาคานุใสยเป็นต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเงี้ย ต้องไปอธิบายตรงนั้นควบคู่ไปด้วยตรงนั้นเราก็ไปเชื่อมโยงดูเพราเราเคยเรียนกันมาแล้วในรายละเอียดพอจะมาอธิบายเปิดทางไว้ให้แล้วใช่ไหมในรายละเอียดเราก็ตามลงไปตรงนั้นน่ะตามลงไปไปวิจัยต่อเพื่อจะได้เห็นความเป็นอย่างหยาบที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมยังไงที่เป็นอย่างอย่างกลางที่ทางมนโนกรรมที่กุ้มรุมในใจใจยังไงแล้วก็อย่างละเอียดที่ยังล้าไม่ได้ต้องประหารโดยอริยมรรยังไงนั่นต้องก็ต้องไปทําความเข้าใจ อันเนี้ยจะจะลงไปตรงนั้นแหละแต่อเนี้ยประการต่อไปเนี่ยนะบอกว่าพระฤาษีเจ้าเนี่ยนะโดยยฉพาะพระโสดาบันเป็นต้นเหล่านี้ก็แปลว่าเขานั้นสามารถที่จะละก ร, รมที่จะเป็นปัจจัยการลงอาวัยบังุเป็นต้นได้เข้าถึงสาอุปาที่เสสสติพานย่อมได้สวยความสุขในมนุษย์โลกและในเทวโลกตลอด ถ, ถึงพรหมโลกตลอดกาลในยาวนาน ก็เป็นผู้มีหวนคืนมากับสู่โลเกียภูมิหรือหรือปุถุชนภูมิอีกเนาะเป็นผู้มีปกติไปสู่มาร์ที่สูงขึ้นไปอย่างแน่นอนเนี่ยฉะนั้นถามว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ปรารถนาจะได้สากาธาคามีมาร์ท่านเขพยายามในการที่จะให้ถึงสากาธาคามิมาร์ก็หมายความว่าวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ยเวลาท่านได้เป็นอย่างเราท่านทั้งหลายก็จะเลยนิพพานเพื่อให้ได้ ให้ถึงโสดาเป็นมารกใช่ไหมบรรลุโสดาเป็นผลทําให้แจ้งซึ่งนิพานของพระโสดาบันเป็นต้นแต่ถ้าคนที่ก็เป็นพระโซดาบานแล้วก็แปลว่าเขาตัดวงจรเบื้องต่ำได้แล้วเขาก็จะเพียรพยายามในการที่จะทําสกัดาคามีมารกฝ้านาคาสกัดาคามีก็ทําเพื่อเพียรพยายามจะทำอนาคามีมาร์กอนาคามีมาร์กก็ทําความเพียรพยายามในการที่จะทําอาราธมาร์กเป็นต้นเหล่านี้ยนะก้าวโดยสรุปก็คือว่าอาสังขตธรรมที่ถึงพระนิพานเนี่ยนะก็หมายความว่าการดับ ที่ถีได้เด็ดขาดขณะสาวปาที่เสสนิพานเนี่ยคําว่าสาวปาที่เสสนิพานเพราะยังมีกิเลสและขันขันทะพบันยังเหลืออยู่นิพานที่ดับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เหลือคือกิเลสและพบเนี่ยนะแม้แต่การดับในลักษณะอย่างเนี้ยแล้วในที่ จ, จริงๆเนี่ยการดับต่างๆเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้เข้าถึงอะไรเข้าถึงในลักษณะที่ว่าอนุปาทานิพานและไหนที่ จ, จริง ก็เป็นปัจจัยเขาดับเป็นพ้าอหารเป็นต้นเอะไรเนี้ยนะทีนี้สัตว์บุรุษผู้ปรารถนาอย่างเราท่านทั้งหลายปรารถนาอะไรปรารถนาถึงโลกุตระภูมิท่านก็วางหลักเอาไว้ในมหาจตารีสกัสูตรท่านวางาวิปัสสนาสัมมาทิฐิแล้วก็มรรคสัมมาทิฐิแต่ในชั้นของคำพิอัติคถาท่านก็มาขยายกรรมลกตาสัมมาทิฐิใช่ไหมแล้วก็วิปัสสนาสัมมาทิฐิ ฌานสมาธิทิแล้วก็มรสมาธิปีผลสมาธิปัิเวิสสมาธิทิแต่ในชั้นของดีกาบางที่ท่านมาขยายสายวิปัสนาอย่างนี้ก็ขยายบอกว่ากรรมสกทาสมาธินามารูปปริหาสมาธิเหตุปัจญาปริหาสมาธิแล้วก็วิปัสนาญานทัศนสมาธิจนถึงโลกุตละแล้วก็โลกุตละมรแล้วก็ผลสมาธิท่านก็มาไล่ตามลำดับซึ่งไม่บิด ดีกาท่านก็นมาขยายอย่างนี้นะก็ทำให้เรามองเห็นสายของสมาธิสี่ประเภทห้าประเภทในสี่ประเภทก็เป็นในชั้นของเป็นปัจจัยให้ถึงโลกุตระสมาธิไหมก็ใหถึงอะไรในบรรดากรรมสกตาสมาธิินามรูปปริคหาสมาธิิเหตุ ป, จปัจจะยาปริคหาสมาธิิก็วิปัสนาญาณทัศนสมาธิเนี่ยเขาก็จะเป็นปัจจัยเกิดโลกุตระสมาธิสี่ประการก็คือโสดาปิมรักษ แล้วก็ผลสมาธิฐสกอ า, าคามีมากผลสมาธิใช่ไหมอนาคามีมากผลสมาธิิแล้วก็อรัตมาผลสมาธิฐิทั้งสี่อย่างเนี้ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาและที่อื่นไม่มีอย่างเนี้นะทีนี้กรรมสกตาสมาธิิเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็ปรากฏในจักรวาลอยู่ไม่ใช่ไม่ปรากฏก็หมายความบอกว่ากรรมมสกตาสมาธิอะทําให้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหม และในกรรมภูมิในพรหมภูมิที่เป็นสุคติแม้สาวกโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์และสัมมาสัมโพธิโพธิสัตว์เนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้สัตว์เหล่าเนี้ยนะท่านจะมีกรรมสกตาสัมมาทิฐิอย่างรุนแรงคือท่านท่านจะต้องมีทิฏฐิประเภทอย่างเนี้นะแล้วก็ผู้ใดมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิผู้นั้นก็หลุดไปจากมิจฉาทิฐิระดับหนึ่งฉะนั้น กรรมสกตาสมาธิเตี่ยเป็นเหมือนดวงตาของโลกเยาภูมิเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนดวงดวงตาของโลกเยาภูมิเพราะอะไรเพราะเมื่อกรรสกตาสมาธิมีเนี่ยนะในกณะ น, นั้นเนะ่ะถามบอกว่าอัอตตาทิฐิเนี่ยไม่ใช่ถามว่าไม่ใช่ว่าอัตตาทิฐิจะหมดไปนะตอนนั้นเนะ่ะยังยังคงมีอยู่คําว่าอทิฏฐิสักยะทิฏฐิหรืออัตานุทิฏฐิแล้วก็อัตวารุปปาทานเนี่ยมีความหมายเหมือนกัน เป็นคำเดียวกันนะเนาะทีนี้ในบรรดาอัตถิฐีเนี่ยถ้าเราแยกยังไงดีเป็นอติโอลาลิกะอัตถิฐีก็ได้หรือโอลาลิกะอัตถิถิก็ได้ใช่ไหมคําว่าอติโอลาโอลาลิกะอัตถิฐีก็หมายความว่าเป็นเป็นอัตถิถิที่ที่หยาบหยาบอย่างยิ่งถ้าโอลาลิกะอัตถิถิก็คือเป็นที่อัตถิถีหรือสารไย้ที่ที่หยาบถ้าสุกุมะ โอลาโอไลกะหรอสุกุมะอัตติธิก็หมายความว่าเป็นเป็นทิฐิที่ละเอียดถ้าอติสุคุมะใช่ไหมแล้วก็อัตติธิก็เป็นอัตติธีที่ที่ละเอียดนี่นะทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าอัตติธิที่มีบาปมากที่เป็นบาปประกำอย่างหนักๆเลยนี่นะเอาอย่างประเภทที่มาตุค่าปีตุค่าเลยเนี่ยอนลักษณะนี้เขาเรียกว่าอติโอลาลิกะอัตติธิถ้าอัตติธิที่เป็นแบบกลางๆนี่นะ ก, กลางๆลงมาก็เรียกโอลาลิกะอัตตาที่ถีที่ละเอียดก็ชื่อสุกุมมาอัตตาที่ถีที่ละเอียดมากที่สุดก็เรียกอติสุคุ ม, มาอัตตาที่ถีเนี่ยในสี่อย่างเนี้ถูกละในลําดับยานถ้าอติโอลาลิกะอัตตาที่ถีก็ถูกละด้วยนามะรูปปริกะหะนี่มันหมายดีกาบางที่นี่นะท่านมาขยายเพเปรียบเทียบไปเราบอกว่านามะรูปปริกขะหะสมาที่ถีเนี่ยละได้ก็หมายความว่าถ้าเห็นด้วยความเป็นนามเป็นรูปเนี่ย เราจะละประเภทอติโอราติกะอตตาทิติคือประเภทเห็นแบบหยาบมากหม mm hmm. เห็นไหมเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลหยาบหยามากเนี่ย mm hmm. เห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นผู้ทํากรรมเนี่ยนะหรือกรณีที่ไปทําบาปรกรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าคนที่จะละบาปรกรรมต่างๆเหล่านั้นมีปณนอ า, าทิบาตินนาทานเป็นต้นถือว่าหยาบนะบาปประเภทนี้หยาบมากต้องละได้ด้วยการเห็นโดยวามเปน้ำรูปถ้านามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นนะนะตรงเนี้นะ เขาเรียกว่านามรูปปริกาหากาเนี่ยนะเอานามรูปปริเฉท ย, ยานเกิดขึ้นมาเนี่ยละได้ทะละละละสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เขาเรียกว่าเห็นโดยความเป็นรูปเวทนาทัญญาสังการวิญญาณใช่ไหมสรุปแล้วตรงนี้เขาเรียกสมาธิถี่เกิดแล้วเป็นวิปัสนาสมาทิถีิเบื้องต้นทีนี้การเห็นโดยความเป็น เป็นนามเป็นรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบความเข้าใจในการฟังแล้วเอาไปคิดไปไข้ควรพิจารณาจนเกิดความเข้าใจไอ้ตรงนี้เกิดเพราะเกิดเบเสร็จแต่นี้ไม่กลา้าทาบาปใช่ไหมไม่กล้าทำบาปแล้วเพราะว่าความเห็นว่าเป็นความเห็นเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยไม่มีแต่ว่าถ้าหากว่ายังยังมีมีความรู้สึกว่าวิปาาัสสนาญาณหรือความเข้าใจในเรื่องตรงนี้ยังไม่ค่อยเกิดนี่นะ ในส่วนจริงๆก็เดี๋ยวก็ล่วงละเมิดสื่ขาบทบ้างเดี๋ยวกล้าไปทำบาปเดี๋ยวกล้าไปพูดเท็จจ่อเสียดเป็นต้นเหล่านี้แต่ถ้าหากว่มีนามรูปปริหาสสมาธิติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เกิดแล้วนี่ประการต่อมาใช่ไหมเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของที่ว่าโอราลิกะโอราลิกะนี่นะโอราลิกะเกี่ยวกับในเรื่องของโอราลิกะอัตตทิฏฐิก็ถูกล่าด้วยเฮตุปจิยสมาธิเฮตุปจิยะสมาธิ ส่วนสุคุมะอัตอตทิฏฐิก็ถูกละด้วยวิปัสนาญาณทัศนสมาธิฐิอติสุคุมะอัตตาทิฐิก็ถูกละได้ด้วยโลกุตระมัคคือโสดาปฏิมัคท่านแยกอย่างนี้ทีนี้ในบรรดาทั้ง4ี่ประการนี่นะสมา ธ, ธิแยกสภาวะแต่ละลักษณะของรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรู้ลักษณะลักษะไัจุดประทานไปธาฐา น, านเนี่ยนี่เขาเรียกเข้าใจคือรู้ลักษณะของรูปประกอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรูปเนี่ยมีการเสื่อมสลายไปเพราะเย็นและร้อน ก็เริ่มเข้าใจความแตกสลายไปโอ้โหในสภาวะของรูป อ, อแท้จริงเนี่ยนะบัญญัติคำว่าลูกก็อย่างหนึ่งการแตกสลายไปของสภาวะลูกก็อย่างหนึ่งก็ไม่ไม่ห ล, ลงเลยใช่ไหมเกิดความเข้าใจแล้วปัญญาไป แ, แยกแยะไปพิจารณาไปไขควณได้เวทนาเป็นสภาวะที่สวยรดของอารมณอย่างไงสัญญาจําอารมณอย่างไงสังขารบุงแต่งอารมวิญญาณก็รั่วรมพอไปเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ฟังแล้วคิดไ่ควณแล้วก็เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาเนี่ยนามวโรกเกิดอย่างนี้นะ อย่างนี้ก็เรียกว่านามะปริกาสมาธิทิก็เกิดทีนี้ประการต่อมาตรงนี้เขาละอะไรละอติโอลาลิกะอัตตทิฐิใช่ไหมบอกโอ้โหแปลว่าไปเห็นเนบหยาบหยาบก็จะละได้แล้วยาบอย่างยิ่งเนี้ยนะประการต่อมาถ้าถามบอกว่าโอลาลิกายังละไม่ได้อย่างละเอียดเนี้ยอัตตาทิฏฐิจะละได้ด้วยสมาธิทีที่พิจารณาปฏิจจานั้สมาธิทิที่ไปพิจารณาปฏิจจานนี่พิจาราเหตุปัจจัยนะอวิชชาปัญญาริ่มเข้าใจใช่ไหม ให้สังเกตด้วยนะว่าบางทีเนี่ยอบางทีการเห็นด้วยความเป็นนามรูปเนี่ยบางครั้งเรายกตัวอย่างเช่นว่าเราเข้าใจในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะกายกับใจตาคงจะหมุกลิ้นกายใจที่เป็นไปในปัจจุบันนะบเราเข้าใจอยู่แค่เนี้ยมันอยู่แค่นามนามกับรูปใช่ไหมการเข้าใจในลักษณะ น, น, นี้ยังไม่เห็นปัจจัยน้ํารูปเลยอย่างเงี้ยปัจจัยน้ํารูปไม่เกิดแล้วมจะเป็นร้ายอย่างหยากอย่างโอร้ายที่กายอย่างยาบไม่ได้อัตตาที่ตีอย่างยาบยั่ร้ายไม่ได้เลยอ่ะ อ, าอ้าอยู่วันวันใดวันหนึ่งเราล้าไอ้ อ, อัตตาทิฏฐิแบบหยาบที่เป็นโอราที่กราไม่ได้เนี่ยเราจะโดดไปล้าแบบสุสุคุมะไม่ได้หรอกอติสุกุมะนี่ล้าได้ด้วยลายลักได้ด้โลกุดามะคือสดาปมาิมัคใช่ไหมสุกุมะนี่จะล้ด้วยวิปัสนาญาณที่เลยเลยการพิจารณาปัจจัยไปอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้วโอ้ที่ลำดับแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเข้าใจใช่มหมทั้งนั้นเราจะได้ไม่โดดไง แต่นั้นเราจะได้สงสยัยตัวเองอยู่ดีๆมันโดดรอยไปเห็นที่เกิดดา่งเนี่เข้าใจได้ไหมมาดูนี่ น, นะใช่ไหมมันมันขั้นตอนการละมีอยู่อ่ะระระเบียบของการละมีอยู่ท่านถึงบอกว่าอัตกตาจาร์พรอัตคตาจารย์ทำไมแยกนี้พระกาจาร์รุ่นหลังๆท่านก็มาแยกให้เห็นเลยอ่ะท่านที่มีความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติดีปริยัติดีเนี่ยนะท่านก็มาแยกให้เห็นวันนี้ต้องเรียงลําดับท่านก็เลยมาจัดเป็นอติโอลาลิกาอติอัตทิทีโอลาลิกาอัตทิที สุคุมะอตัตติทิฏฐิแล้วก็อติสุคุมะอตัตตทิฏฐิมันมันนองแยกเป็นสี่ชั้นเข้าไว้แล้วก็ไล่วิปาาัสนาญาณนำรูปปริเชษญาณปัิยาปริกายญาณแล้วก็สมม า, า, าัญญาญาณอุทิยพยญาณไล่ไปตามลำดับเนี่ยจนถึงนู้นแหละมรรคญาณเนี่ยเข้าใจไมพอไล่อย่างนี้เบรเซ็ตปุ๊บก็จะเอาตั้งแต่สัมมาสัญญาญาณอุทิย า, ย า, ยาปยญาณเป็นต้นเนี่ยที่เริ่มเข้าร้องก็รอยอุทิยาปยญาณแล้วเนี่ยนะก็ไล่ไปอันนี้เป็นการละแบบสุคุมะอัตติ แต่ถ้าหากละแบบหยาบ ๆ, ๆต่างๆอีตรงนี้นะกลุ่มของปัจจัยพฤกหายานพินจารปัจจัยตชัดตรองใช่เนะที่ปัจจัยชัดเนี่ยขนาดไหนขนาดปริยัดดีหรือขนาดว่าปริยัดไม่ดีถ้าขนาดปริยัดดีเนี่ยเขาวิจัยปฏิจจาได้ครบวงจรเนี่ยแต่ถ้าปริญัดไม่ดีก็ต้องวิจัยเรื่องขันห้าแล้วเหตุของขันห้าได้ชัดได้ชัด ถึงแม้จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดจนจนขนาดว่าเรื่องลึกซึ้งใช่ไหมแต่เขาก็ชัดเนะ่ยเขาก็เข้าใจไม่ใช่เขาไม่ฟังแล้วแล้วจะมันจะจะเดินได้นะไม่มีต้องฟังแต่จะฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจว่าการห้ามมีเหตุปัจจัยยังไงเข้าใจว่ามียวิชาตัญหกรรมเป็นปัจจัยยังไงนี่ก็คือปฏิจจ์เข้าใจเหตุอย่างนี้คือปฏิจจ์เข้าใจใช่ไหมเนี่ยตาหูจบูกเล่นกายใจที่เป็นไปในปัจจุบันภพเขามีปัจจัยนะ ปัจจัยในการที่ทําให้เกิดยังไงเชื่อมโยงกับ อ, อดีตยังไงเพราะตัวนี้จะละอะไรละเหตุการณ์ทถี่ถ้าเยอะเจริญวิปัสนาที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็นกลายเป็นปฏิเสธเหตุซึ่งอันตรายมากใช่ไหมก็คิ ด, ดว่าน้ารูปเนี่ยเกิดขึ้นมาเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี่เขาใจอย่างแต่เนี้ยนะก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ตรงนี้นี่แหละถึงบอกว่าสัตว์ บางพวกที่ยึดมั่นถือมั่นดังที่ได้กล่าวว่าอัตตาเป็นชีวะเนาะอันมีชีวิตเป็นสัตว์บุคคลบ้างแต่ก็มีสัตว์บางพวกย่อมยึดถือว่ามีอัตตาที่ปกครองเป็นใหญ่ในกันห้าอีกคือเป็นใหญ่ในรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณการยึดถือของสัตว์พวกที่สองนี้ชื่อว่าอติโอลาลิกะอัตถิทิคําว่านามรูปปริกหะกะ นามรูปประวัติตาฐานเนี่ยนะก็วิสุทธิยานเนี่ ย, ย, นนยโดยสภาวะก็อันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเนาะทั้งหมดนี้เป็นชื่อของนามรูปปริคหาาักะสมาธิถิหรือรนามรูปปริเฉทยานในคมพีปรมัตตสังเขกก็เขียนสรุปนามรูปปริคหักะสมาธิถิไว้ว่าบอกว่าสมาสมาธินิ ว, วทิฐ ถ, ถที่สามารถพิจารณารูปนามแต่ละอย่างด้วยลักษณะ รักษาปัจจุปทานประทัดฐานจนละความเป็นสัตว์บุคคลชีวะอัตตาได้ทิฏฐิประเภทนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิคือนามรูปปริเฉ ท, ทยานหรือนามรูปปรปริกหากะสมาธิทิฏฐิอันเดียวกันต่างกันแต่ทางพยัญชนะอัฏฐาอันเดียวกันอันนี้นะแล้ว ก, ก็เริ่มเข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้ว่าการแยกรูปแยกนามที่ไปเห็นอติโอลาลิกะสามารถละอติโอลาลิกะอัตตาทิฏฐิความเห็นเป็นอัตตา เห็นยังไงเห็นเป็นอัตตาเห็นเป็นชีวะอันมีชีวิตเป็นสัตว์บุคคลนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะและก็ยึดถือบอกว่ามีอัตตาที่ปกครองเป็นใหญ่ในกานห้าก็ยึดทกรณีในลักษณะอย่างนี้ถามว่าที่เรามีความสำคัญว่าเราเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่ที่มันมันหยาบแล้วนี่นะความเห็นที่หยาบอย่างชาวโลกที่เป็นกันอยู่ ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครมาตั้งตําแหน่งให้เราหนึ่งตำแหน่งโตมือมัสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นก็เขาเ า, าให้อรามาเป็นอยู่ฝ่ายก็เขาเรียกอยู่ฝ่ายปกครองพอก็ตั้งโตมือมาแล้วก็อยู่ฝ่ายการศึกษาไหมหัวหน้าฝ่ายการศึกษาโอ้วพวก็ตั้งมาไอ้มาก็นเกว่าเป็นจริงๆโองโอ รู้ถึงเวลาเดินมันก็เดินเหมือนผู้ปกครองเดินว่ามันมาไงไม่รู้ถ้าเป็นพระนี่นะเคยเป็นไหมเออใบประกาศแท้ๆมาตั้งอะไรมาเป็ น, ปนแบบเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองฝ่ายการปกครองกับฝ่ายการศึกษาโอ้โหเขาเรียกประชุมเดิมทีไม่รู้สึกคนอัตตาตโตอย่างเงี้ยพวกคนงี้เออประหลาดนี่นะ <c oughs> ทั้งที่เราศึกษาพระธรรมกันนี่แหละเวละเวลาอัตตา เวลามันพบขึ้นมาก็หนึ่งเราก็เย็ดอยู่แล้วใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พอออกเขียนใบใบประกาศตั้งขึ้นมาอีกมีลายเซ็นประทับตราประทับตวงขึ้นมาอีกบอกแมวประมงกระดาษที่ไยมันรู้สึกมันคลุม่มคลุ้ไงเจ้ากัน <c oughs> ประหลาดแฮะเคยเป็นไหมล่ะเ น, นี่ยเขาเรียกว่าอัตตานิยะไปเย็ดใบกระดาษเนี่ยนะว่าเรามีอำนาจต่อไปก็เซ็นคำสั่งอย่าลยเซ็นเซนเซน ในขณนะที่เซ น, เนไม่เซนด้วยปัญญาเนอะตัดนะอัตราเซนตูมเข้าไปโอ้โหเซนเซนพวกเหมือนนั่นลงไปคนที่เขาได้เขาก็หลงผิดเพราะเขาเขารับรับคําสั่งออวิ่งใหญ่เลยตอนเนี้ยใช่ไหมทาใหญ่เลยเอามาโอ้โหเป็นทอดเลยนี่วันนี้ย้อนหลังคิดนี่นะเป็นทอดเลยเร ว, วิ่งวิ่งกันเป็นแถวหมดแล้วใช่ไหมบางคนร้องไห้ได้เพราะคาสั่งอ่ะ บางคนดีใจได้เพราะคำสั่งเพราะใบกระดาษแผ่นนั้นเนอ่ถ้าเขาถ้าเขาถอดออกยวกงานเป็นอาจารย์เนี่ยร้องห้เลยใช่ไห <c oughs> มากลับมานั่งกลุ่มเลยใช่ไหม เ, <c oughs> เห็นไหมว่ามันขนาดนั้นเลยใช่ไหมเ้าเคยทำงานราชการก็รู้ใช่ไหมแล้วเราโอ้โหถ้าพูดในการสั่งเป็นไงใช่ไหมโอ้โหลาบากเลย แล้วก็คอยวิ่งงุ่นกันเนีลยนะมาก็ต้องคอยลุกรับต้อนรับอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่ไงว่าอัตรามันมันไม่ได้ถูกถอดเราเรียนพระธรรมก็เหมือนเป็นพิธีกันเลยแต่นี้ใช่ไหมแล้วไม่เคยน้อมที่จะถอดความรู้สึกกันอย่างนี้จริงๆเอาเมืตั้งเอาเป็นไ ว, ไ ว, ไ ว, วัยวยากรโอ้โหตรงนี้ยสมมติเนะ่ยเราก็นึกไม่ธรรมดาใช่ไหมเอามาไปเจออยู่ไรเขาบอกว่า พ อ, พอพอในนั้นมีมีถ้ามีใครจะมาทามําก็ไม่ได้ไม่ได้ไมันในข้ามหน้าค้าตาบริวัจยกรวัด <c oughs> เออเข้าใจาใช่ไหมว่าเวลานั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีไอตัวอัตตากข้าไปสิงอัตาอตาไอตัวมิจฉาทิถีนี่แหละตัวเนี้มันจะเป็นสําคัญผิดจากการสัมพันธ์คันผิดบ่อยๆสําคัญผิดบ่อยๆบางคนโอ้โหไม่อยากออกจากมันไม่ได้แล้วบางคนออกมานีถึงขนาดต้อง ต้องเอาอะไรมามาเล่นแทนเลยคือให้อัตตามันย้ายตัวให้ได้อัตตามันย้ายตัวคือคือเขามันหมดอกระเสียนแล้วพ่อกระเสียณแล้วมันก็มันก็ย้ายตัวงั้นมันคว้าไอ้อัตตาตรงนี้ตอนมันต้อบอกว่าแล้วถามบอกว่าความเป็นพ่อความเป็นแม่อย่าสังเกตดูดิพอคุยกับเขาได้สักพักหนึ่งเกิดเกิดเขาพูดแบบดูหมิ่นแล้วขึ้นมาไอ้มิชาทิทีก็บอกว่า เราเป็นแม่เราเป็นแม่อย่ายอมอย่ายอมแล้วก็นี่นี่นี่ชั้นเป็นแม่แกเนี่ยเขาขอพายขอพายเนะ่ยนะมันจะออกมามุมนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ mm hmm. นี่นี้่ใครเป็นลูกเป็นแม่กันเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยนะ mm hmm. เาก็จะไปเลยนี่เห็นไหมมันจะออกมานี่เขา้าใจไหมว่ามันมันเป็นอย่างนี้นั้นคนที่มีอัตตาแล้วก็มีอัตนิยะสูงก็ไม่รู้ตัวมันก็ถอดไม่ได้ <Yes. S 1> ใช่ไหม <Yes. S 1> ตรงนี้ยังไงว่าต้อง ศึกษาต้องต้องเพียรวิจัยต้องละตัวตนอัตตาตรงนี้ออกเพราะตรงนี้นําไปสู่ไบโยภูมิใช่ไหมนำขันธาตุอายตนะเราเจะปวดถามว่าการเข้าใจเนี่ยพระโพธิสัตว์เขาเขาละได้เป็นปกติเลยนะอติโอลาลิกาเนี้ท่านละเป็นปกติโอลาลิกาก็เป็นปกติสุขุมะโอลาลิกาก็เป็นปกติท่านละอติสุขุมะไม่ได้เท่านั้นเอง ท่านในปัสนาญันของท่านเดินคล่องมากยันนามสังขารลุบิขยายันท่านท่านเดินคล่องในกระแสขันท่อนาอายตนะของท่านในในภพต่างๆนั่แปลว่าท่านละอัตตาได้ใช่ไหมท่านท่านปลอดภยอยัยคือตรงนี้ถ้าเราไม่มีปัสนายาันนาล่องเนี่ยมันจะมันจะไม่ปลอดภัยออกในภพต่างๆอะ่ะฉะนั้นตรงนี้ต้องสร้างให้เป็นอัธยาศัยให้ได้ สร้างให้ให้ปังแน่นในกำมูลลขันขันสันดาลได้ถ้าเราสามารถสร้างวิปนัยยาให้เกิดขึ้นจนเป็นอัตยาศัยไหมถึงแม้บรรลุไม่ได้มันก็โล่งใจมันก็ปลอดภัยใช่ไม่ใช่ทีนี้เรายังกล้ามข้าบันไดแรกไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เป็นบันไดแรกเท่านั้นนะในพระศาสนาเลยอ่ะบันไดแรกแค่บันไดเดียวเนี่ยเราเดินขึ้นไม่ได้แล้วใครอาจฐานกระโดดไปบันไดที่สี่ที่ห้ามันพลาดน้ามบอกว่าพลาดนะ นั้นบันไดแรกนี่มันยังบางคนเนี่ยนะไอ้มาก็ยังแย่บางคนอุ้ยยอมเห็นเกิดดับอะไรก็คอภัยเนี่ยไอมาก็บางทีไปทุละาไอ้มาถามที่ตรงนี้อยู่คนเดียวได้ไหมโยอุ่ยไม่ได้กลัวผีท่านหนุนไมารู้แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วโดนหลอกตัวเองแล้วก็คนเห็นเกิดดับขนาดนั้นมากลัวผีอะไรเดียวะใช่ไหมเพราะก็ยังเอกอี้บางทีเราก็แยกมาว่านี้ไหน ไหนยอมว่าได้อุทยาพยายาแล้วโอ้ยอมยังเว้นปุถุชนอยู่นี่ท่านเอาไปแล้วเอาปุถุชนมาอ้างอีกเห็นไหมว่าว่าจริงๆต้องเข้าใจย่าโดนมิจฉาทิฐิหลอกไม่มีใครหลอกเราหรอกไอตัวมิจฉาทิฐิอัตตาทิฐิเนี่ยมันหลอกเรามันก็ป้อนข้อมูลว่าเราได้เราถึงพอใจแค่นี้แหละน่ะเข้าจนะเข้ากลายเป็นผู้ประมาทมุทัศน์สติก็ล้มลืมแบบขยายยัง งันตรงนี้ต้องต้องก้าวให้ได้ต้องก้าวข้ามให้ได้ไอ้บันไดแรกเนี่ยถ้าก้าวข้ามบันไดแรกได้ก็นับว่าดีแล้วใช่ไหมครัอาจารย์ตั้งแต่ไดฮั้บันไดแรกะารย์ปัจจนาสมาธิเปคะเออแน่นหเลยบันไดมนเาบันไดบันไดัแรกคือตรงี้ปัจจนาสมาไม่ถ้าท้อถ้าท้อถ้าทอสมาธิเบื้องแรก วิปัสนาถ้าเราท้อสมาธิทีนะสมมุติถ้าเราทอ้อก็แปลว่าเราเรายินดีในพบนนใช่ไหมเราก็ยินดีในพภพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอันตรายโอกาสลงอบายภูมิมันง่ายคนที่ถอดรหัสวิชาทีฏฐิไม่ได้เนี่ยถอด<ม> แ, <น>แบบตะทังกระปรหารไม่ได้เนี่ยนะอันตรายมาก โอกาสไฟไบภอมสูงอันนี้อันนี้มันต้องมันต้องเตือนกันตรงตรงเงยเนอะ<ช>ว่าว่าจริงๆริเป็นนี้ถ้าถอดตัวนี้ไม่ได้โอกาสลงอบับไบโอมสูงสูงมากๆแต่ถ้าถอดได้เนี่ยโอกาสหายใจคล่องก็มีแล้วถ้าเขาทำไม่ให้เสื่อมเขาไม่ลงเลยพบต่อไปเนี่ยเขาปรเะเภทที่ยิ้มได้เลยอะ่ะ<ม>ใช่ไหมถ้าเขาแค่เขาถอดถอดถอดอติโอลาลิกาเนี่นะมิชชั่นทีทีอัตตาทีทีได้นี่นะเขาเขาหายใจคล่องอ่ะในพบต่อไปอ่ะ แต่ถ้าเราถอดตัวนี้ไม่ได้นะถอดรหัสตัวนี้ไม่ได้เราหายใจปืดเครืองแน่ปืดอัดแน่แล้วก็เป็นปัญหาแ น, น่นอนแล้วแล้วน่ะเราอยากให้ใครช่วยใช่ไหมก็มีแต่พระเจ้าเนี่ยพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยที่จะลาดรถสู่จิตใจแล้วก็เพียรพยายามในการวิจัยแล้วก็จะข้ามข้าวบันไดข้ามบันไดแรกแ น, น่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องชูใจใช่ไห ม, มทําให้เราเขาเรียกว่าตามภาษาธรรมะเขเรียกจูราโสดาบัน ก็แปลว่าในพบต่อไปมีสุคตินั้นก็ต้องพยายามวิจัยให้ได้เข้าถึงให้ได้ตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยนี่นี่เราเจะห่วงใครใช่ไหมแม้อย่าลืมนะว่าท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีแต่ท่านได้พวกเนี้ยใช่ไหมตรงนี้ท่านท่านคล่องตรงนี้ท่านคล่องท่านเดินสะดวกเลยแล้วท่านก็บำเพ็ญบารมีท่านแล้วท่านก็อบรมสั่งสอน นั้นท่านรู้เรื่องพวกนี้ดีนั้นระดับฌานสมาธิถี่ท่านเป็นเรื่องปกติเลยวิปัสสนาสมาธิเป็นเรื่องปกติท่านเดินนู้นเดินยันเกือบ ป, ประตูพรนิพพานเดินเดินไปเฉียดอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาเขาเกลือตัวไหมท่านก็สละแล้วก็เดินเอาท่านสร้างบา ร, รมีกรุณาตักเตอนท่านปัญญาของท่านก็จะให้หลอดใ ห, ให้หลุดพ้นให้ได้แต่กรุณามหาการุณาก็ดึงท่านไว้ mm hmm. เพราะท่านก็เอาทุก ข, ของเราน่แบกไว้ในตน ตรงนี้เราก็จะได้เห็นเห็นพระมหากรุณาธิคุณว่าว่าพระโพิสตร์ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านเดินแบบนี้ลองรอยงันท่านท่านดอ๋อฟังแล้วพิจารนาก็ได้คือคืออย่างคืออย่างนี้ฟังทำฟังทำจากพระเจ้าสาวกเกิดได้เลยบางท่านนี้ใครควรเป็น หรือหรือแสดงทำก็เกิดได้แล้วก็จะวต้องอยู่หนเใช่ป่วาังเรา่าก็เอาเข้ามาอยู่ตนสพยิิลาเียาเป็นจราเป็นระยะระยะมันไม่อ๋อในกรณีในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าการการที่เข้าใจเป็นระยะระยะต้องดูปริมาณการเข้าใจปริมาณการเข้าใจ น, นะว่าอย่างกรณีที่เราฟังแล้วเราพอพิจารณาก็เห็น แต่ว่าความเห็นของเรามีปริมาณน้อยมากอย่าพึ่งไปเหมาแต่ว่าถ้าพิจารณาจนค่อนข้างช่ำชองเลยคือเป็นอัธยาศัยเลยครอย่างนั้นชัดเลยเป็นอัธยาศัยก็คือว่าเหมือนยังไงดีน้อมจะเห็นก็เห็นน้อมอะไรก็ไม่ยากเลยนั่นแหะชัดแล้วคือน้อมจะเข้าใจก็ได้เลยไม่ต้องใช้ความเพียรเลยก็เหมือนอย่างกรณีที่เราเราไปเราใช้ความคิดเราธรรมดาเนี่ย ว่าดูดูปั๊บมันอ่านมันซื้อออกเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องใช้ความเพียนอะไรมากมนัเข้าใจอย่างงั้นเละมันจะเป็นอย่างงั้นอันนี้ถ้าหากว่ากรณีที่ โ, โหต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกนั่นแล้วนั่นเองถึงจะเข้าใจอยอันนี้ยังแปลว่าเพราะความความเพียนบ่อยๆถ้าไม่เกิดบ่อยๆของเราน้อยไปนั่นตรงนี้อ่ะถ้ามีข้อมูลค่อนข้างดีๆเนี่ยไม่ใช่ยากเอามาบอกพวกเราเลยวมันไม่ใช่ยากเตียกใกล้กลัวให้เกิดความเข้าใจ แต่ปริมาณของเราท่านทั้งหลายมันมันน้อยแค่ น, นั้นเองคือปริมาณการตรึกการใคร่ครนเรามันน้อยัแล้วถ้าว่าใคร่ครวมากๆใช่ไหมก็ก็เข้าใจพรเข้าใจเบียดเสร็จตอนนี้มันจะเป็นอัธยาศัยเลยปุ๊บมันมันเข้าใจก็เหมือนกับเราดูหนังสือพยายามไม่ให้อ่านออกยังอ่านออกเลยใช่ไหมดูภาบรูเ้เราออน้สารตถาติปณีนี่ดีกาพวินัยนะออนิพระตัยพิดกเนะนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องเพ่งนานใช่ไหมดูภาพเข้าใจเลย อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยพอเราคิดที่จะดูเมื่อไหร่มันก็เข้าใจอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอธัธยาสัยว่าเหตุการณ์อรต่างๆเกิดขึ้นก็น้อมน้อมคิดในเรื่องมุมของของความเป็นไปของนามรูปก็เข้าใจของกระแสะขันทาอะไรยันนะนะและในขณะเดียวกันก็เข้าใจด้วยความเป็นศาสตรบุคคลยังไงความไม่รุ่มหลงก็เกิดขึ้นกับพิจารณาแล้วก็งดเว้นบา ป, ปรกรรมได้ลักษณะอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกอติโอราลิกาเนีถูกถูกถอนได้อัตาทเถียถูกถอนได้ถูกถอนได้ด้วยบาญนัยยานขั้นต้นๆ เห็นไหมว่าจริงๆเกิดจาการฟังพระธรรมนี่เกิดจากการสาธยายธรมเกิดจากการการแสดงธทมเกิดจากการตรึกและเกิดจากการเอาไปพิจารณาใข้ควรใช่ไม่ใช่ตรงนี้มันเข้าใจได้ทีนี้ปริมาณการไข้ควรเราท่านทั้งหลายมันมันน้อยเท่ะไหร่มาวันนู้นตรงนี้ก็ทีนี้เราจับประเด็นได้ใช่ไหมทีนี้ก็อย่างนี้คือแบบมีมีแนวทางในการใไข้ควร ทีนี้พอเราเข้าใจในลักษณะเนี้ยต่อมาเนี่ยรูปแบบในพระไตรปิฎกต่างๆก็จะเกิดขึ้นพราะเราเดินสมาธิทีไปแล้วใช่ไหมพอเดินสมาธิทีเป็นต่อมาก็พอจับรูปแบบต่างๆแล้วก็วิชัยได้ย่างไรทีนี้ความเข้าใจของเราท่านหลายเพราะเมื่อเกิดความเข้าใจไปเสร็จเนี่ยพอใครมีมีใครมาบอกรูปแบบต่างๆแล้วเราก็จะบอกอ๋อ oh, ตรงนี้ตรงนี้สร้างที่หลังได้ใช่ไหมถ้าสมาธิทีเกิดแล้วมีความเข้าใจถูกแล้วตรงนี้สร้างออกมาแต่ว่าระวังนะ ใช่ไหมถ้ า, ากรอบมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอะไรก็ เ, เ, เราก็จะรู้เราก็จะไปขยายขอบอีกได้ใช่ไหมหรือว่าเราสามารถคิดเลยกอบได้อีกอันนี้ก็ก็จะเป็นความเข้าใจของเราในกรณีที่เราเกิดความเข้าใจตรงนี้ชัดเจนขึ้นนี่เข้าใจนะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า <c oughs> เมื่อพิจารณาเนอะนามรูปปริการิาญานหรือนนามวัตหรือนามรูปประวัติฐานนัยานนะวิสุทธิยานเนี่ยนะอันเดียวกันดนังที่ได้กล่าว ประการต่อมาก็คือว่าสัตว์บางพวกยึดถือว่ามีผู้กระทําอะมาจากคาว่ากาละกะสภาวะการละกะสภาวะเขาแปลว่ามีผู้กระทําถ้าเวทะเขาเรียกเว ท, เวทะกาสภาวะก็มีผู้สวยมีผู้กระทํามีผู้สวยใช่มีผู้กระทํากรรมใช่มีผู้สวย ก, กรรมเงี้ยคนกรรม การว่ามีผู้กระทํามีผู้เสวยเนี่ยการลาทิธิและเวทะเวทะกาทิธิเนี่ยชื่อว่าโอราลิกะอัตตาทิฐิที่ยาปันกลางนะตั้งอยู่ในไหนตั้งอยู่ในปัจจยาปริกาทิฐิโอราลิกาตาทิธิหมดไปด้วยความเห็นผิดที่บอกว่าความเห็นผิดก็ถูกละไปเนี่ยความเห็นผิดในด้านของความเป็นปัจจัยทั้งหลายยกตัวอย่างเช่น ถามบอกว่าอาเหตุกาทิธีเนี่ยปฏิเสธเหตุเนี่ยเรายังมีเหลือเข้ามูลอยู่เพียงเราไม่ดิ่งเท่านั้นเราปฏิเสธเหตุเนี่ยเรามีนะจะไม่ใช่ไม่มีนะบางคราวเรายังเคยคิดว่ามันศูนย์ด้วยซ้ำเลยใช่ไหมบางทีตายแล้วก็ศูนย์ศูนย์ไปเลยเนี่ยสมัยก่อนๆเนี่ยนั่นความเห็นตรงนั้นแล้วถูกละที่ไหนล่ะบางทีก็เห็นว่าเที่ยงอย่างเงี้ย สรุปแล้วกในบรรดามิจฉาทิฏฐิ62ที่ไม่ใช่เนี่ยตามิจฉาทิฏฐิยังเกิดกับเราเพียบหมดเลยในสังสารวัฏฉะนั้นกรณีที่จะถูกละได้เนี่ยนะก็นี่แหละปัจจยะนี่แหละปัจจยะปริกหายานนี่แหละจะถูกถ่ายถอนความสงสัยความสงสัยบวกกับทิฏฐิ8ประการเป็นต้นหรือความสงสัย16ประการ ถ้าแปประการก็สงสัยในพระพุทธพระธรรมเป็นสงเต้นหรือสิบหกประการก็สงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยในปัจจุบันใช่ไม้มอดีตห้าอนาคตห้าปัจจุบั 6, นหกนัะก็รวมเป็นสิบหกประการนันะร่นแหละเรามีอยู่หรือหนอหรือเราไม่มีเป็นต้นเหล่านี้เราเคยมีอยู่แล้วจะเป็นอะไรหนอก็ไล่กันไปเถอะแม้ในปัจจุบันเรพบก็สงสัยยังไนะงนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันจะถูกลาด้วยสรุปแล้วตรงนี้ก็คือเนี่ยมันมันก็มาจากอธัธทิถิที่มันพัฒนาตัวไปการสงสัย เรามีเราไม่มีแปลปฏิเสธเหตุเนี่ยบางคาเราปฏิเสธเหตุบางทีแล้วก็ก็เข้าใจเหตุผิดพลาดในแน่นอนทําไมถึองเข้าใจผิดพลาดเข้าใจอนาคตผิดพลาดด้วยเข้าใจปัจจุบันผิดพลาดด้วยเพราะอะไรเพราะความที่เรานั้นมีทิฏฐิแปดทิฏฐิสิบหกบวกกับวิจิจฉาแปดวิจิจิจฉาสิหกเนี่ยวิชิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดร่วมเนาะไปเกิดเป็นอธิยาสายยินตรงนั้นด้วยและในขณะเดียวกันเชื่อของมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองที่ยอมธรรมอันมา ใช่ไหมเชื้อของมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยมันยังเคยฝังแน่นในกมูลราสันดานของเราท่านทั้งหลายมันจะถูกละได้ด้วยวิปัสสนาญาณที่สองเพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เขาเรียกว่าโอลาลิกะอัตติทิชใช่ไหมมันเป็นปัจจัยอยู่คือมันหยาบไงมันหยาบขึ้นมามันหยาบรองลงมาเนี่ยหยาบรองลงมาในกรณีอย่างนี้เข า, าจะถูกละ พอมาไปเห็นปัจจัยใช่ไหมเห็นอวิชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังเปต้นฉะนั้นความเห็นเป็นปัจจัยกันต่างๆเป็นไปตามลําดับตามเนื้อยะของปฏิเจริญว่าเนี่ยมันจะถูกละที่น้ประการต่อมาก็คือว่าคําว่าปัจจยาปริกหายานก็คือการขาวิจารณิยานโดยสภาว่าเป็นอันเดียวกันนะต่างกันแต่ชื่อทั้งหมดนี้เป็นชื่อของปัจจยาปริกาสมาธิฐิ แม้ในคมพีปรมัตถะสังเขกก็เขียนสรุปทิฏฐินี้ไว้นะบอกว่าไงวักยานที่พิจารณาปฏิจจสุบาทสิบสองสามารถที่จะข้ามพ้นความสงสัยสิบหกอย่างและก็ความเห็นผิดแปดประการได้ด้วยกังขาวิตรณวิสุธิสายละเอียดเดี๋ยวก็ไปเก็บกันอีกทีเพราะวันนี้ไม่ทัน น, นะเนี่ยจะเป็นไปลักษณะนี้นามรูปปริฆาสมาทิฏฐิและอเหตุกว่าปัจจยะ อ้าสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปริยุทฐานะโอราลิกะในสันดานจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมดับลงไม่เหลือนะต้องบอกว่าดับไม่เหลือเพราะถูกละถูกละด้วยวิปัตยานทั้งสองเนี่ยทีนี้ถามว่าวิปัตนาญาณทั้งสองยังไม่สามารถจะละอนุสัยสุกุมะอาทิฐิและก็วิจิกิจฉาดุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในขันธ์สันดานของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมูลเป็นพืชเป็นราก ที่สามารถทําให้ทิฏฐิหยาบๆต่างๆเกิดขึ้นได้อีกสุขุมะอัตทิฏฐิและวิปัสนาญาณเนนะี่ยเมื่อใดถ้าได้วิปัสนาญาณ น, นะก็เรียกวิปัสนาญานนณทัศนะเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอนิจจานอนิจานะออนจานุปัสนาทุกขานุปัสนาหรืออนัตตานุปัสนาก็แล้วแต่จะเรียกในะตรงนี้นะบางแห่งท่านก็เรียกว่าอนิจจาวิชายานก็ได้ทุกขาวิชายานก็ได้หรืออนัตตวิชายานก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็ละอนุสัยสุกุมะาอาัตติฐิและก็วิจิกิจฉาที่ละเอียดก็ย่อมถูกละไปโดยละไปนะเ <c oughs> หลือเฉพาะแต่อติสุกุมาอัตตาิธิและติสุกุม า, าวิจิกิจฉาอนุสัย <c oughs> ก็จะเป็นไปลักษณะเนี้ยอันนี้พูดถึงระดับของวิบัติ ญ, ญาณเริ่มตั้งแต่เลยที่เลยกังขาวิจารณวิสุทธิมาถ้าเข้าถึงปฐมมรรคต้หมายความบอกว่า เมื่อได้โซดาปฏิมาสมาธิฐิอติสุขุมะอตตทิฏฐิแล้วก็อติสุคุมะวิจิกิจาก็ลาไปได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่เหลือเขาเรียกว่าอปายะคามิกรรมกรรมที่เป็นเหตุให้ลงสู่ใบเยภูมิหรือหีนาตักกะกรรมกรรมที่นำไปสู่เบื้องต่ำอันนี้หรือที่เป็นไปในส่วนของความเร็วซ้ำทั้งหลายก็ดับลงพร้อมอะไรพร้อมกับปฐมมะมักก็คือโสดาปฏิมาษนั่นเองทีนี้บุคคลผู้ได้จตุยานนัทธสนาธรรมจักรสูงอย่างนี้เกิดขึ้นนะ บุคคลประเภทนี้ก็เป็นพวิทมั่นคงแล้วก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมกลับมาเป็นบุรุษชนอีกซึ่งที่บอกไปนี่นะตามลำดับเบื้องต้นตั้งแต่เกี่ยวในเรื่องของอนามรูปปริกะยานเป็นต้นแล้วเนี่ยนะไล่มาปัจจัยปริกาหายานเป็นต้นตามดับแล้วก็วิปัตนายานนะัสสนาทั้งหลายที่ที่จนถึงสังขารลุปิข า, ายานเนะี่ยมีโอกาสกลับไปเป็นบุรุษชน สามารถกลับไปเป็นปุถุชนภูมิต่าๆที่มีอัตตาที่ถีหนานแน่นก็อย่างเราเนี่ยที่เคยได้กันมาแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือเลยไงนะไม่เหลือแต่มีเชื้ออยู่ยังมีเชื้อมีความปรารถนาจะพ้นทุกข์อยู่ไอ้ตรงนี้นี่แหละแปลว่ามีเชื้อเคยได้มาแต่มันเสื่อมไปได้หลายภพชาติแต่มาไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนเพราะว่าจากคาสอน ใช่ไหมสื่บค้นดูเราก็รู้ว่าเราเป็นผู้เคยได้ใช่ไหมก็แสดงว่าเคยเคยนำล่องวิบัติญาณสูงๆมาแล้ว<ม>แต่ว่าไม่รู้พบในชาติไหนแต่ว่ามันเสื่อมใช่ไหมกลับมาเป็นผู้ดูชนที่มีอัตตาทิฏฐิหนานแน่นอนีกเลยเนี่ยก็แปลว่าอะไรนะเราถางต่อของมิจฉาทิฏฐิอัตตาทิฏฐิศัตยสีเนี่ยถางแล้วเผาไม่ได้ถอนลาบมันขึ้นใหม่อีกแล้ว ตอนนี้ขึ้นไมค์แล้วและและตอนนี้ไม่รู้งดงามแค่ไหนก็แล้วแต่ใครไปพิจารณาดูนะว่าในกระแสการทารายยตนาของเราทั้งหลายงามไหมถ้งางามก็จัดการถากถางให้มันเผาเรื่อยๆตรงเนี้นะตรงนี้ก็ทําทํากิจในการถากถางเพราะว่าถางให้มันสะอาดที่ได้เอาปฐมมามากอย่างลงได้ <c oughs> มองเห็นอย่างเนียก็สรุปตรงนี้ไม่ทันจบเราเวลาหมด <c oughs> นะพอเดี๋ยวก็จะไปทํากิจอะไรอย่างอื่นกันนะ ใครมีเอาให้อีกปัญหาหนึ่งอะใครจะถามหนึ่งปัญหามีไหมตรงนี้ก็เป็นผู้มั่นคงนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ที่เวียนว่ายใจเกิดอยู่เฉพาะในภพที่เป็นสุขติที่ประเสริฐขึ้นไปเขาเรียกว่ามีเนียตัดศีลเนี่ยตัดสมาธิแล้วก็เนี่ยตัดปัญญาแล้เวเขาจะศีลสมาธิปัญญาท่านแน่นอนนะไม่ไม่ตกลงต่ําก็แล้วเอ่อ เป็นผู้เกิดอยู่ในโคดตรตะกูลที่สูงเขาเราียกว่าข้ามปุถุชนโคดไปถึงอริยโคดแล้วเขาแล้วเขาข้ามโครตรภูรยานเนี่ยนะข้ามโคดปุถุชนไปแล้วอันนี้สมบูรณ์ด้ยทรัพย์สมบัติเกียรติยศบริวารมั่นคงแน่นอนแล้วเขาเราียกว่ามีจตุสัจญานีมหาคันคันธาบรีวิชชาทรก็สามารถแทงตลอดระยะสัตว์สี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้เขาเราียกว่าเป็นคุณที่มีอยู่ในาศาสนาเป็นผู้ไม่ไมตกต่ําเป็นธรรมดาแล้ว ตรงนี้ก็คือว่าท่านโอมาอย่างนี้มีบุรุษคนหนึ่งนะตรงนี้โอมาห้างไม่ถึงห้างที่นะุอมาเรีย ว, วเนี่ยนะมีบุรุษคนหนึ่งก็บอกว่าได้ก้อนเหล็กดีมาก้อนหนึ่งเนาะไอ้ก้อนเหล็กกันเนี้ยมันดีนะแต่มีสนิมเกาะ อ, อยู่สนิมห่มเต็มเลยเนี่ยนะไม่ทาไงเดียวนานเน่นด้วยสนิมอน่ยเขาบอกว่ามันวางอยู่ในดินเนี่ยหนาแ น, น่นแล้ว เคยเห็นเหล็กแหมเหล็กที่มันดีนะแต่มันมีสนิมเกาะข้างนอกเต็มไปหมดพอบุรุษคนนั้นได้ก้อนเหล็กมาแล้วก็มาทุบสนิมที่เกาะ อ, อย่างหนานเนี่ยนะั่นให้หลุดไปหลังจากข้คบทบตีอย่างดีแล้วในะส่วนจริงเนื้อเหล็กสีดำดำเนะี่ยก็เกิดขึ้นมาต่อจากนั้นเขาก็เอาก้อนเหล็กนะนะั้น่ะไปขัดขัดกับผงหินผงอิฐที่หยาบหยาบเพื่อให้คราบดำๆนั้นหลุดหลังจากที่คราบดำๆนั้นหลุดไปแล้วแต่เนี่ยนะ ก็ได้เนื้อเหล็กเป็นสีขาวมัวมัวเนะต่อจากนั้นเขาก็เอาก้อนเหล็กที่เป็นสีขาวมัวมั ว, มวนั่นแหละไปขีดกับผงหินและผงอิดที่ละเอียดกว่าเดิมเนะยซำซำซ่า ๆ, ๆ, ๆทาอยู่อย่างนั้นแหละในที่สุดจริงก็ปรากฏเป็นสีขาวผ่องใสเป็นงามๆเนี่ยนะเหมือนเลยนะจนจนประยิทธฐานนะสนิมของของเหล็กนะนะั้นหมดไปหมายความว่าเป็นประเภทอย่างกลางๆเนี่ยนะหมดไปแล้วไม่เหลือ เหลืออยู่แต่อนุสัยสนิมที่ฝังอยู่ในก้อนเหล็กใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็คืออติสุกุมัสนิมที่ฝังอยู่ในเนื้อก้อนเหล็กนั้นนี่เองเนะี่ยสามารถเป็นมูลพืชนะที่จะทําให้ก้อนเหล็กนี้เกิดสนิมได้อีกครั้งหนึ่งมันยังไม่หมดถ้ามันมีเหตุปัจจัยอันสมควรบางทีก้อนเหล็กนี้ไปถูกน้ําไปถูกน้ําเกลือไปถูกสารส้ ม, น, สมน้ําส้มเนี่ยนะในส่วนจริงๆนะ มันก็จะเกิดสนิมขึ้นมาอีกทำให้มันเป็นสนิมสีดำต่างๆเพราะมันยังมีอติสุขุมะสนิมที่ฝังอยู่ในก้อนเนื้อเหล็กใช่ไหมเขาด้บอกว่าเห็นไหมการขัดตรงเนี้ยมันก็ยังขัดไปตามลาดับแม้ข้างนอกใสหมดแล้วแต่ด้วยการที่มีจุดละเอียดในตัวมันเองอเ่ยเหล็กนั้นมันเป็นเหล็กที่ยังไม่ได้ทาการไปหล่อหลอมขจัดไอ้สนิมภายในออกให้หมดใช่ไหม ในสุดจริงๆเดี๋ยวมันใช้การเวลาได้เหตุปัจจัยเดี๋ยวมันก็ก่อขึ้นมาจะเรียมสนิมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่อยูงในสนิมมันเกิดจะเหล็กแหละแต่เพราะแต่มันต้องอาศัยได้เหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยถูกน้ําถูกลมถูกฝนแรงต่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดอย่นี้นะนี่นี่ยสภาพของกิเลสก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าวิบากานัยนั้นะนะทีนี้บุคคล น, นั้นหลังจากที่เขาขัดจนขาวผ่องเป็นง า, งามๆแล้วก็ไปทําอะไรดีเนะี่ย ไปใส่กระบอกดินแล้วก็ผสมกับน้าํายาน้ําทาตอย่างอ่อนปิดฝากระบอกดินให้ดีแล้วก็ไปเผาไปคั่งแล้วคั่งเล่าจนในสุดจะสนิมที่ละเอียดที่อยู่ในก้อนเหล็กก็หลุดแม้แม้ทําขนาดนี้แล้วอติสุคุมะก็ยังไม่หมดไปทีนี้ถ้าจะให้อติสุขุมะหมดไปจริงเอาก้อนเหล็กที่ทําไวนะ้เน่ะไปใส่กระบอกดินแล้วผสมกับน้าํายาน้ําทาตที่มีรทธแรงกว่าเดิมนะปิดปิดฝากระบอกดินนั้นแล้วก็เอาไปเผา ไปเผาไอ้ไฟที่ดแดงๆเจ็ดวันเจ็ดคืนพอทําอย่างนี้แล้วเนะี่ยอติสุขมาสนิมก็จะหมดไปไม่เหลือก้อนเหล็กนั้นก็จะกลายเป็นเหล็กตายเป็นเหล็กกล้าแล้วที่ใสสะอาดสว่างสวัยตลอดการน่าดูหน้ า, นาชมเป็นดุจอั ญ, ญมณีเหมือนกับแสงเดือนแสงจันทร์เลยถ้าในลักษณะเนี้ถ้าเอาเหล็กตายเนี้ยไปผสมกับน้ําผึ้งเนยเอยน้ําตาลไป็นต้นให้คนป่วยกินนะโรคก็จะหายถึงความเป็นคนอายุยืนนานเงนี้ยนะสมบูรณ์ด้วยพลังถ้า ถ้าถือเหล็กตายนี้ไว้ก็จะได้สิ่งที่ต้องการต้องตามสมควรเนี่ยการทำเช่นเนี้ยเขาบอกว่าในในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เขาเขาเ อ, อ, อย่างเช่นว่าถ้าเราสืบค้นในคัมภีร์ทางสายพม่าเนี่ยเขาบอกว่าเหล็กประเภทนี้เขาจะมีอยู่ คือเอาไปเผาทำจนละเอียดขนาดนี้ในสื่อจริงๆก็ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมางคนผีเข้าก็ไปให้ไปก็สามารถไล่ผีได้อันนี้เป็นต้ น, นเนี่ยนี่เขาเรียกเป็นเหล็กที่มันพิเศษมีการหลอมมีการกระทําอะไรอย่างดีเป็นต้นอะไนี้ตรงนี้ก็อุปมาเนาะถ้าสรุปแล้วก็คือสัตว์ผู้เป็นปุโรชชนที่เบีอัตตาที่ถอย่างหนานแน่นเป็นเหมือนก้อนเหล็กที่ถูกโค้ม้วยสนิมอย่างหนาแ น, น่นเป็นเวลามาอย่างหลายหลายหลายสิบปีหลายร้อยปีเหมือนกันยัน ต่มาบุคคลผู้มีปุเพกตาเหตุตุทิฏฐิอิสระนิมานเหตุทิฏฐิละเหตุกาทิฏฐิอ่หมายความว่าได้ด้วยกรรมสกตาสมาทิฏฐิเป็นเหมือนก้อนเหล็กนะที่เอามาทุบก็หมายความบอกว่าคนที่มีมีสามารถละนะละปุเพกตาเหตุตุทิฏฐิเข้าใจเหตุปุเพกตาเหตุทิฏฐิไหมบุคคลที่เชื่อว่าสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นเป็นเหตุในอนดีตอย่างเดียวอา ม, <ๆ S 2> มีไหมคนเชื่อแบบเนี้ย คือบอกชีวิตเนี่ยให้เป็นไปตามกรรมอะ่ะเพราะงั้นแล้วแต่กรรมบับนดาลกันแล้วกันเชื่อกรรมไม่เชื่อแต่ชีวิตขึ้นอยู่แต่ในกรรมในดีทั้งนั้นก็เลยปุกเพกระต่ให้ดูทิฏฐิอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตมอบให้กรรมในดีเป็นผู้บงการเป็นผู้จัดการฉะนันชีวิตเป็นไปตามกรรมเพราะงั้นเด้อจะทำดีทําชัว่วคงจะเป็นกรรมในดิ น, นเราเพราะงั้นนะเราชดใช้กรรมไปเพรางนะงั้นนะถามอยู่กับคนค น, คนเนี้ยทนอยู่ไปไงั้นนะอธิษฐานทุกวนันอยู่กันเบสิคก็ขอให้หมดกรรมไปเถอะว่างนะงั้นน ชัดๆไปว่าต่อไปจะได้ไม่ไม่เจอกันอีกแล้ว<ม> น, นี่ ก, ก็ปู้เพกระต่ายเฮตุทิติไ<ม>ปเชื่อว่าเหตุแน่ดีอย่างเดียวอาถามว่ามีอยู่ไหมมีแต่ก่อนเราเป็นไหมแบบเนีเน้เป็นยังเป็นอยู่ใช่ไหมสรุปแล้วก็เคยเป็นกันแล้วก็เชื่อกันอย่างเนี้ยอันนี้คือชาวพุทธเชื่อกรรมเนี่ยนะนแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอิสราเนิมานะทิตินี่เชื่อผู้สร้างเลยมีผู้บงการไปเลยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเหตุกาสทิติก็คือปฏิเสธเ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องล่าได้ด้วยกรรมสกตาสมาธิถี่กรรมสกทาสมาธิถี่เหมือนเอาก้อนเหล็กมาทุบทีแรกนั่นแหละเอาสนิมออกแต่ยังเหลือเงาดำๆอยู่บุคคลที่สองที่เป็นอติโอราลิกาอัถอัถทิถีนี่นั้นล่าได้โดยนามรูปสมาธิถี่ดังที่ได้กล่าวเป็นเหมือนก้อนเหล็กที่มาขัดด้วยผงหินหยาบจนเห็นเนื้อเหล็กสีขาวๆมัวๆประเภทที่สองโอราลิกาปริยทานาอัถทิฐิเนี่ยล่าด้วยปัจจัยปริกาหาสมาธิถี่นะก็เหมือนกับเอาก้อนเหล็กที่มัวๆมาขัดด้วยผงหินนั่นแหละผงละเอียด ในสุดจริงเนื้องางามก็ผุดสว่างสบายก็เกิดขึ้นบุคคลประเภทที่สก็เหมือนกันเน่ยลาสุกุมะอัตติฐีก็วิปัสสนาญาณสมาธิิเหมือนอะไรเหมือนเอาก้อนหินเหล็กนี่ยแหละมาใส่กระ บ, บอกดินผสมน้ํายาหน้าทัดอย่างอ่อนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปเผาไฟครั้งแล้วครั้งเล่าสนิมละเอียดต่างๆก็ออกไปหมดนะแต่ยังไม่หมดเลยทีเดียวอติสุคุมะยังไม่หมดต่อมาก็คือพระเหล่บุคคลก็เหมือนกับลาอติสุคุมะอัตติฐิได้อย่างเด็ดขาดโลกุตลามารัก แล้วก็โบกุตราผลที่เกิดขึ้นเหมือนอะไรเหมือนนําเออก้อนเหล็กนั้นไปใส่กระบอกดินผสมน้ํายาน้ําทาตที่มีฤทธิ์แรงนะแล้วก็ออก ป, ปิดปาอย่างดีเปเไปเสร็จเผาไฟเจ็ดวันเจ็ดคืนนะ่ะในส่วนจริงก็กลายเป็นเหล็กตายเหล็กกล้าสนิมหายเกลี้ยงเลยเนี่ยในลักษณะนี้ก็ท่านอุมาลักษณะนี้ยนะในรายละเอียดก็ก็เดี๋ยวไว้เก็บทีหลังนี่พอจะเข้าใจนะ<ช>นี่เป็นไปลักษณะนี้ฮะ <c oughs> อะไรนะ อ๋อตรงนี้ก็ไปเปรียบเทียบในประมรัฐอธิปนีดีกานะท่านก็จะมีเปรียบเทียบไวไว้บ้างเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้นแล้วก็ในในใ น, ในดีกาโดยทั่วๆไปนะ ก, ก็พยายามสืบค้นมาแล้วก็ คือจริงๆท่านเป็นการอุปมาท่านเพื่อให้เราเห็นชัดเจนขึ้นน ะ, อ, ะอาไวไ่ายพระกันเดี๋ยวเตรียมวัดไปเอาอารหังสัมมาสัมพุโทโธมากาวาโอทังทะ้ะวัญชัยทิวาเทวีสวั